m mm Hmm. เป็นมารดามหาบุรุษเป็นพระพุทธก็เป็นได้ไม่น้อยหน้าเป็นผู้นำยุคสมัยในโลกาเป็นภรรยาสุดแสนดีสามีรัก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 เป็นขวัญเรือนรินธรรมชี้นำลูกเป็นผู้ปลูกค่านิยสมสมศักดิ์ศรีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวเข้าต่อตีเป็นผู้มีศักยภาพควรปราบดา ควรแก้เกณฑ์กฎลดโมหาเขารบยิงอย่างที่เป็นเช่นสัตว์เจ้า เราควรแก้เกณฑ์กฎลดโมหะเขารบหญิงอย่างที่เป็นเช่นสัจจะเพราะหญิงคือมารดาของแผ่นดินเขารบหญิงอย่างที่เป็นเช่นสัจจะ